โอวาทปาติโมคะคาถาธรรมยังโอวาทปาติโมคะคาทาโยพนามเซ สัพพะปาปัสสอาการะนางการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัสมปะธาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสา จ, จิตะปริโยทัปปานางการทำรา จ, จิตของตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนางัง ทาสางอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตะโปติติขาขันติคือความอดกรรภเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิง่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลาย พระนิาพานว่าป<ร>เป็นธรรมอันยิ่งนาหิปภพชิตโตปรูปปะคาตีผู้กรรมจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมะมโนโหโติปรังวีเททยันตโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย อนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดายการไม่ทำารปาติโมคเฐจะสังวรโรการสำรวมในปาติโมกมาตัญญุตาจะพาตสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค ปานตันจ่าสยนาสนางการนอนการนัง่งในที่อันสงัดอาิจิตเตจอายุโคควมามมันประกอบในการทำจิตให้เยิงเอตังพุทธานาสาสนางทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย